บันทึกที่6การเคารพตามอายุสมาชิกภาพการกำหนดเอาอายุสมาชิกภาพเป็นหลักในการแสดงความเคารพการเช่นนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมสะดวกและได้ผลจริงจังในทางปฏิบัติสมตามวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงมุ่งให้สงเป็นชุมชนแบบอย่างซึ่งไม่มีการถือชาติชั้นวันนะ ทางเลือกอีกอย่างหนึ่งในเรื่องนี้คือกําหนดเอาภูมิธรรมที่ได้บรรลุเป็นหลักแต่ทางเลือกนี้จะก่อให้เกิดความวุ่นวายสับสนเป็นอันมากและจะไม่สําเร็จผลแท้จริงเพราะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นยากจะพิสูจน์ว่าใครจริงใครเท็จและผู้บรรลุเองก็ย่อมไม่เที่ยวอวดอ้างทางเลือกนี้ก็มีภิกษุบางท่านเสนอแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงยอมรับ หลักการที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ในเรื่องนี้นับว่าเป็นข้อที่น่าศึกษาเพราะในขณะเดียวกับที่ทางด้านความสัมพันธ์ทางสังคมอันเป็นภายนอกให้ถือเอาอายุสมาชิกภาพเป็นหลักกําหนดแต่ทางด้านการฝึกฝนอบรมเพื่อเข้าถึงจุดหมายสูงสุดอันเป็นด้านในและเป็นสาระสําสคัญของพระพุทธศาสนากลับถือเอาคุณธรรมเป็นอุดมคติ และเป็นสาระแห่งการเคารพที่แท้นับว่าเป็นหลักการแบบคู่ขานกันคู่คุมกันและคู่จุดนำซึ่งกันและกันระหว่างระบบสัมพันธ์ทางสังคมกับระบบการฝึกปลือคุณธรรมในจิตใจระหว่างชีวิตในทางปฏิบัติกับชีวิตด้านในที่เป็นอุดมคติหรือระหว่างวินัยกับธรรมะนั่นเอง พระภิกษุที่ได้รับความเคารพตามบทบัญญัติทางวินัยหรือตามระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคมย่อมต้องรู้ตระหนักตามหลักการแห่งธรรมะว่าสิ่งที่จะทำให้ตนเป็นผู้ควรแก่การเคารพกราบไหว้จริงสมกับภาวะหรือฐานะก็คือภูมิธรรมภายในที่ได้บรรลุหรือความประพฤติดีปฏิบัติชอบคือความมีสุ ป, ปฏิบัตเป็นต้นตามหลักสังฆคุณก้า ซึ่งจะต้องฝึกอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนจึงมีพุทธพจน์ตรัสเตือนผู้ใหญ่เวลายแห่งเช่นในธรรมบทว่าคนไม่ใช่เป็นเทราคือผู้ใหญ่เพียงเพราะมีผมหงอกถึงวัยของเขาจะแก่งอมก็เรียกว่าแก่เปล่าส่วนผู้ใดมีสัจจะธรรมะอหิงสาความควบคุมและฝึกตน นั่นแหละเป็นปราชดคายมนทินแล้วเรียกได้ว่าเป็นเทระบาลีแห่งหนึ่งแบ่งเทระเป็นสามพวกคือชาติเทระหรือชาติเทระผู้ใหญ่โดยกําเนิดคือตามอายุธรรมเทระผู้ใหญ่โดยธรรมและสมมติเทระหรือสมมุติเทระ ผู้ใหญ่โดยสมมุติคือตามที่ตกลงเรียกขานหรือสักว่าเรียกกันเทระตามกำหนดทางวินัยก็จัดเข้าได้ในสมมุติเทระเรื่องวุฒิที่สามหรือชาติวุฒิวัยวุฒิและคุณวุฒิเพิ่งมีในชั้นอัตถกถ า, าซึ่งในคำภีปรมัตถโชติกา อธากถาแห่งสุตานิบาทเพิ่มปัญญาวุฒิเข้ามาอีกอย่างหนึ่งเป็นวุฒิที่ 4. อีกแห่งหนึ่งตรัสคุณธรรมที่จะทำให้เป็นเทระไว้สี่ประการคือเทระการณธรรมสี่ในอังคุตระนิกายจตุการนิบาศพึงดูเทระธรรมสิบในอังคุตระนิการทศกาณนิบาทด้วย ส่วนพุทธบัญญัติให้ภิกษุแสดงความเคารพตามอ่อนแก่พรรษามีมาในวินัยปิฎกเล่มเจ็ดกรณียกเว้นก็เพราะเคารพธรรมหมายเหตุผู้อา่านสำหรับในเนื้อหาหลัก ละบันทึกพิเศษในหนังสือทุกบทจะมีระบุอ้างอิงที่มาจํานวนมากในที่นี้จะอ่านที่มาอ้างอิงเฉพาะที่จําเป็นบางส่วนเท่านั้นการทําเป็นเสียงอ่านเหมาะกับการฟังเพื่อเข้าใจภาพรวมเบื้องต้นหรือไว้ฟังทบทวนเท่านั้นท่านผู้สนใจโปรดศึกษาเพิ่มเติมได้จากพุทธธรรมออนไลน์หรือดาวน์โหลดต้นฉบับล่าสุดจากเว็บไซต์ของทางวัดโดยตรงหากต้องการนําไปอ้างอิง โปรดตรวจสอบกับต้นฉบับล่าสุดของทางวัดก่อนด้วยนะครับ